ปัจเจเนียก บ, บุคคลจะขุนตริยะมูลกนัยสี่อยยีอนุโลมปุชชาจะขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโลมปุชชาโสตินสีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจะขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดอนุโลมปุชชา จากขุนรีของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์และบิดทินทรีละบริสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมพิจาชนาไม่มีปฏิรมปุจฉาปริสินรีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาเคยเกิดอนุรมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหม พิจัดชนาไม่มีปฏิรมปุจฉาชีวิตินทร์สีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาเคยเกิดอนุลมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสมนัสินทร์สีละอุเปกินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มีปฏิรมปุจฉา อ<บ> <PTSD> ุเปก well. ิณส well. ีกรรมบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากคุณสีกรรมบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจะคุณสีกรรมุคคลใดไม่เคยเกิดสัตตินรีและปัญญินรีและมณินรีกรรมบุคคลนั้นก <enza> ็ไม่ใช <attutto> ่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามณินสีกรรมบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากคุณสีกรรมบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม พิจานาเคยเกิดจากขุนตริยมูลกนัยจบคานินตริยมูลกนัย4ี่อนุโลมปุจฉาคานินสีละอิทธินสีละปริศินสีละชีวิตินสีละโสมนณตินสีละอุปเกขินสีละสัจตินสีละปัญญินสีเขาบุคคลใดไม่เคยเกิดคมานินสี ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิรมปุชชามนินทร์สีของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดปัญญินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดคานินตรียมูลกไนจบปัจจนีกาโอกาสจากขุนตรีมูลกไนสร้อยยี่สอนุรมปุชชา จกักขุนสี่ในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินสี่ในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมละปัจจณีกับปุขคโลกาจากักขุนตริยมูลกนัยสี่อนุรมปุชชาจากักขุนสี่ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินสี่ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโรมปุชชา สตินของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนสีขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาปัจชิมภวิกบุคคลในปัญจโรการาภภูมิโสตินสีขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรู ป, ปภูมิโสตินสีขบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด และจกักขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากักรุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินสียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิ แต่บุคคลผู้บัจอยู่ในรูปาวจรภูมิคานินซีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนตีมีใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาดภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิคานินทีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนตีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนตีก็บบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด อิทินตีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จะเกิดจะขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมพวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีปุริจเกิดได้ ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิถธิ์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากคุณสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิอิทธิ์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากคุณสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉา จะขุนสีขบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินศีขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปุริสินสีขบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขุนสีขบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิด ใ, ใช่ไหมวิจัตชนาปฏิบิณฑวิ ก, บนนกวับุคคลในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุทธา จะขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชณาบุคคลผู้บาดอยู่ในอาศันยศตภูมิและอรูปภูมิจะขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสภูมิแต่ปัดฉิมภวิการบุคคลในรูปภูมิ จากขุนสีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินทร์ศรีกรรมบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนสีกรรมบุคคลนั้นในภูมินั้น ก, ก็กมกนนมนนไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดฉิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิชีวิตินทร์ศรีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิและปัดฉิมภวิกาบุคคลแนวรูปภูมิชีวิตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมณัตสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัตสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด จากขุนศีกรรมบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลเราใดผู้มีจกักรคูเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจักุบัติแล้วปรินิพานโสมนัสตินทรีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตดอยู่ในสุทาวาตภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิ โสมนัสตินสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนสีกบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุปเปกินสีกบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปภูมิจากขุนสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุปเปกินสีไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาตภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจกขุนสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินศีก็ุคคใดในภูมิดายไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีกบุคคลใดในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ ปัจชิมพวิกาบุคคลในปัญจโวการะภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจกักกูเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขุนสีม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิปัจชิมพวิกาบุคคลในอรูปปัตภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาจตภูมิ อุเปกขินสีกับบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจกักขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีกับบุคคลใดในปมิใดไม่เคยเกิดตัดทินสีกับบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปฐุมจักขุนสีกับบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่เคยเกิดแต่ตัดทินรีนนนนมนนนนไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาสปมิ ปัดชิมพวิกาบุคคลในรูปปภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาจตภูมิจะกุนตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสัดทินตรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจชาสัดทินตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากุนตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัชิมภวิกาบุคคลในปัญจโวการภูมิ สัจตินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิปัจฉิมภวิการบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญสัตตภูมิสัตตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ปัญญีสีและปัินทสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารณาบุคคลผู้บาดอยู่ในอรู ป, ปภูมิจะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดแต่ปนญญีไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในอรู ป, ปภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนณีศีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัดฉิมภวิการบุคคลในปัญจโวการับภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิปถิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนินทรียกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจกขุณสีก็ไม่เคยเกิดจะาาจขนุนตริยมูลกไนจบคาณินตรียมูลกไนัี่ยยี่อนุโลมปุชชาคานินทรีย์กับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด อิทินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาอิทธินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินทตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจชิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พาน อิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินสีของบุคคลใดในภูมิดไม่เคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัรนาใช่ ปฏิโรมปุจฉั่ปุริสินสีกบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินสีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาะปัจบิมภวิกาบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีถีเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิ พ, พานปุริสินสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและกาณินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานิ น, นรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็นมนนไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้บาดอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ กานินทสีของบุคคลเหล่า hmm. นั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จกไม่เกิดปฏิบิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคารินทสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจตันา ปัชิมพวิกาบุคคลในการมาวจรภูมิชีวิตินทรียีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่การินทรียีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัดชิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรียีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและการินทรียีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาการินทรียีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด โสมนัตสินรีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจจรณานะบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิคานินสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่โสมนัตสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาจัตตภูมิอรู ป, ปรภูมิ คานินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดได้โสมนัสตินรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสตินสีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินทสีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหนะมพิจัตชนาปถิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้มีจิตเป็นอุเบขาจากอุบัติแล้วปรินิพาน โสมนัสถินทรีย์กับบุคลเหล่านั้น <rolls> ในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาจตภูมิอรู ป, ปภูมิโสมณัสถินทรีย์กับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรียีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรียีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินทร์สีกับบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัรนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิมนนมมและอบบรูปาวจรภูมิคานินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิคานินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโรมปุจฉลาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมปวิกาบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณัจกุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด ปชิมภวิกาบุคคลในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัจฉนาะ บุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินทรีย์กบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จัดทินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิคาณินทรีย์กบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสัดจินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชา สัตตินรีก็บุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจารณาปัจฉิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิสัตตินทรีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาจัตตภูมิ สัตตินีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคาณินทรียก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาคาณินรียก็บุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินรียและมณินทรียกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิและอรู ป, ปาวจรภูมิคาณินทรียกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะไม่เกิด ปัดชิมพวิกะบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิอรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิคานินทสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินทสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจชามนินทสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานินสีของบุคค ล, ลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิ มนินทรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมนินทรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรีก็ไม่เคยเกิดคานินตรียมูลกนาจบอิทธิทรียมูลกนาฏสี่้ยี่สิบปด อนุมปุจฉาอิตินรีกบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดบุริสินสีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารนาใช่ปฏิโดมปุจฉาบุริสินทสีกบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินรีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาปฏิบิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลเราใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพ โดยภาวะนั่นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธินรีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชา อิตินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจติชาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินสีไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ อิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาปัจบิมภวิกรบุคคลในกามาวจรภูมิชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิตินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด ปัดถิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดได้ตินทรียก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาตินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตดอยู่ในรูปาวจรภูมิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่โสมณตินตีไม่ใช่จะไม่เกิดปัดชิมภวิกะบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอาสัญยสตภูมิอรู ป, ปรภูมิอิถินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและโสมนณตินตีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรลมปุชชาโสมัณตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิถินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ปัดชิมพรวิกาบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัตแล้วปรินิพานโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิสินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัดชิมพรวิกาบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาัตตภูมิอรู ป, ปภูมิ สมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิตินสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาอิตินสีกองบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกข like ินสีไม่ใช่จะไม่เกิด ปฐิถิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกขินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกขินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิถินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจตันาะ ปัดฉิมภวิกาบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณัตจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกขินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิฐธินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสต Saud ภูมิอุเปกขินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด และอิตินสีก็ mosque, ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาอิตินสีของบุคคลใดในภู Ord huh มิใดไม่เคยเกิดสตินรียละปัญญินรีละมนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดแต่มนินรียไม่ใช่จะไม่เกิด ปัดฉิมภรวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญัตต ภ, ภูมิอิถินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอิถธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลในกาม า, มาวจรภูมิ มนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อิทินทรียมีใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอิทธินทรียก็ไม่เคยเกิดอิทธินตรียมูลกนัยจบปุริสินตรียมูลกนัยสี่้อยี่สิบเก้า อนุโลมปุจฉาปุริสินส์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจารภูมิและอรูปราวจารภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จกไม่เกิดปัดชิมภวิกาบุคคลในรูปราวจารภูมิและอรูปราวจารภูมิ ปุริสินรีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรีย์กบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินรียกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิชีวิตินรีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด ปัดชิมภรวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและบุริสินรียก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาบุริสินทสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้ปัดอยู่ในรูปาวจรภูมบุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่โสมนัสสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสรรยสัยตตภูมิและอรู ป, ปรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรปุชชาโสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปัดฉิมพวิกรบุคคลในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบขาจากุบัติแล้วปรินิพานโสมนัสสินสีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินสีมิใช่ไม่เคยเกิดปัดฉิมพวิกรบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสตภูมอรูปภูม ตัวมนัดสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้วัดอยู่ในรุปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะไม่เกิด ปชิมพรวิกะบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิอรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิปุริสินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ ปัจฉิมภวิกขบุคคลในกามาวจรภูมิและบ ah so ุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและอสัญญตจัตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินสีก็ไม่เคยเกิด อนุโลมปุจฉาปุริสินสีกบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสตินรีละฟันญินรีละมันินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปาวจรภูมิและอรู ป, ปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มันินทรียไม่ใช่จะไม่เกิด ปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแต่บุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิปุริสินสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนณีสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชามณีสีกบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปุริสินสีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิ มิณีศีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัดฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสาัาญญัตตภูมิมนิณีศีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปุริสินศีก็ไม่เคยเกิดปุริสินตรียะมูลกานัยจบชีวิตินตรียะมูลกานัย สี่ร้อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในปุ მ ใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินทร์ีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาจะเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมนัสสินทร์สของบุคคลใดในปุ მ ใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉา ชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินทรีละสัตทินทรีละปัญญิทรีละมนินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาจะเกิดปฏิโลมปุจชามนินทรีของบุคคลใด ใ, ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาเคยเกิดชีวิตินตรียมูลกนัยจบ โสมสตินทรียมุรการัยสี่อยสามสิบเอ็ดอนุโลมปุชชาโสมณตินสีของบุคคลใดในปุ่มใดไม่เคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมพิจารณาเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมเป็นไปอยู่โสมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะไม่เกิด บุคคลผู้บาดอยู่ในอาจาญย์ัตต ภ, ภูมิโสมณัสถินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่จะเกิดปจิโรมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมนัตสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจิมจิตปัจิมจิตที่สัมปยุทธได้โสมณัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในมุลเลปในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมณัตสินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจาญย์ยตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมณัตสินรีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาโสมณัตสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตถินรีละปัญญินรีละ มณินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเมื <ME> ่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทธาวาตภูมิเป็นไปอยู่โสมนัต ส, สินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรียีไม่ใช่จะไม่เกิดบุ aje, คคลผู้บาดอยู่ในอรัญญาสัจตภูมิโสมนัสถินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรีย์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชา มณนสีก้ามบุคคลใดในปูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสมณัตถินทรียข้ามบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตมณีสีข้ามบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมณัตถินรียไม่ใ no ช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในอาศัญยัตตภูมิมณีสีข้ามบุคคลเหล่านั้นในปู่ินั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมณัสถินรียก็ไม่เคยเกิด สมนัสสินธริยมูลกนัยจบอุเปกินธริยมูลกนัย432อนุโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัตทินทรีไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาัตตภูมิอุเปกินสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัตตินรีมิตรก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุชชาสัตตินรีกบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตสัตตินรีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จ<ๆช>ะเกิด อุเปกินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินรีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินรีและมณินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโดมปุจชามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้พร้อมเปรียงด้วยปัจฉิมจิต มณีศีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่อุเปกินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในอาจาญย์ตตภูมิมณีศีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและอุเปกินรีก็ไม่เคยเกิดอุเปกินตริยมูลกนาฏจบสัตินตริยมูลกนัฏ ส, สย้ยสามสาอนุโลมปุชชา สัตตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปญินรีและมณินรียของบุคคลนั้นในภูมิน <that even S 2> ั้นก well ็ไม in ่ใช really ่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาตภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาัตตภูมิสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมณินรียก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโรปุชชามนินทร์สีกบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดแต่ตินทร์สีกบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจารนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัติมจิตมนินทรีสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ตัดตินทรียีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสาศันัตตภูมิมนินทร์สีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ตัดตินทรียีก็ไม่เคยเกิด สัตทินตรียะมูลกนัยจบปัญญทรียะมูลกนัยสี่อสาสสอนุโลมปุจฉาปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิปัญญินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาสัญยสัตตภูมิปัญญิีสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนิณีสีก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชามนิณีสีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดปัญญีสีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตมิณีสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ปัญญีรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด ุคคผู้บัตรอยู่ในอาศัญยศตภูมิมันินรีขกงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและปัญญินรีก็ไม่เคยเกิดปัญญทริยมูลก า, นายนจบละปะวัติวานจบ